ชาฉันเองก็เข้าใจเมื่อเธอเองก็ต้องไปกับคนใหม่คนนั้นสรุปว่าฉันต้องแพ้ก็อย่ามาทาเหมือนคนยังรักกันทำอย่างนั้นมันกลัวฉันจะขาใจ ยง่ ยังฉัน Time. 成。